นดามยังสังขานุสตินยังการม m a สีสุบาดีปันโนวาขาวดวะสาวกาสังโฆสงสาวกของราูมีพาวาข้านาไนไอบาดีบาดีแล้ว ควรชุบปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเข้ามได้ปฏิบัติตรงแล้วยาญาปฏิปันโนะภาควโตสาวกสังโฆ สงสาวโวของ <c oughs> พระผู้มีพระภาคแก้วมูใดปฏิบตับติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนพระขาวโต ส, วะะ ส, ว ส, สาวกสังโฆสงสาโวของพระผู้มีพระภาคเจ้วมูใด าธิบัยสมควรแล้วยาที่ทงได้แก่บุคคลเหล่านี้คือยาตาริปุริสายยคานิอัตถาปุริสาภูกลาโรสีคูนาเเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษ เกสาปาควาตุวสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระาขจ้าอาหุนายโอเป็นสงวนแกสการะนามบูชา บาหูนายโยเป็นสงควรแกสการาทิกจัดไว้ดอนรับทากีนยโยเป็นผู้ควรรับพระศีนาทานอันเจริการณีย เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทมอันชริอนุตตาราังปุญญาเขตดังโล ก, กัสสาติเบนเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังมีธรมยังสังคาพิคติงกโรมาเสีย สัทธามาชวสุปฏิปฏิคุณาทิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธารรประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นตนเยอทาพิทูอริยภขค า, าสังกาเศธโว พระอริยบุคคลอันประเสริฐแปดจำพวกเสียราธิธรรมปวรายกายจิตตวมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวชวันธรรมธรรมระนาคานังสุสุทางพะเจ้าวั แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นอ่านบอริสุทธ์ด้วยดีสังข่อยย่อสัพพานินางสารนังเกะมุตตมังพระสงฆ์อุไดแบ่งสารนาอันเกษมสูงสุดของสายตั้งลาย ตาทีญานุสถิานังวันธามิตังเสเรนังอาภัเจ้ า, าว่ว้พระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระรึกองที่สามด้วยเสียนกล้าว สังขาสาหัสามิตาโสวาสังโฆเมสามิกิสาโรอาประเจ้าเป็นทาาทของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีสระเหนือข้าประเจ้าสังโฆทุกขาสาขาตาจวิทาดาจหาิตัสเม พระสงฆ์เป็นเครื่องกงจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังขายสา้างนิยาเดเมสาริรันชิวิตันชีทางข้าพเจ้ากบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์ วันดันโตหังกฤษามิสังฆสุปฏิปันนธรรมอาภเจ้าผัวอยู uh ่จากพระพฤตธธรมซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงค์ นาทิเมสรณนางอันยงังสังโฆเมสรณนางวารางังสารณาอื่นของข้าพเจ้าไม่มีถ้าสงเป็นออันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะศาสาาวาเชนาวะไทยยังสาธุสเนนิ ด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงจเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังพังเมวันธมาเนนาอย่างบุญยังปสสทังอิา้าข้าพระเจ้ากูว้วะอยู่ซึ่งพระสงค์ได้ขวัญขวายบุญไดในบัดนี้ สาเพปีอันดรายาเมมาเฮสุงไสซาเตชะสาตั้งพวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าโดยเด็แห่งบุญาน ยาเยนวาจายาวะเจตัสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสางเคกุกามกตัตม์ยาญังตามดาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงค์สังโคปฏิคาหฮะดวัอวอาเจียนตัง ส่งโยนโศงสูงโทษลวงเกิดอนันต์กาลันตาเรสังวาิรตุวาสังเคเพื่อการสำรวมระวางในพระสงฆ์ในการต่อไป